สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยพิบาลนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในสมดุลที่สำคัญอีกข้อหนึ่งครับประเด็นที่16ครับสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตคุศจจรในคุศจกรและการดำเนินชีวิตในครอบครัวพี่น้องครับสมดุลนี้เป็นสมดุลที่สำคัญเพราะว่าหลายๆครั้งทีเดียว ชีวิตของพวกเราที่เติบโตขึ้นมาในคิดสัจกรเติบโตขึ้นมาในสังคมและมีครอบครัวนั้นก็ทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่ผ่านมาหรือบางท่านก็อาจจะทำได้ดีในอดีตแต่ไม่สามารถทำได้ดีในปัจจุบันหรือบางรั้งก็กลับกันครับพี่น้องครับเรามาดูกันครับว่าเราจะทำอย่างไร เมื่อว่าเจ้าทรงสร้างมนุษย์พระองค์ทรงกําหนดไว้ในหลักการที่สําคัญที่มนุษย์จะต้องมีส่วนที่รับผิดชอบมีหน้าที่ต่อสิ่งเหล่านี้อยู่4ประการด้วยกันประกาศแรกก็คือมนุษย์จะต้องมีรับผิดชอบต่อรัฐบาลหรือต่อผู้ที่มีอํานาจปกครองซึ่งปรากฏอยู่ในพระธรรมโรมบทที่13บสข้อที่1ถึงข้อที่3 อย่างที่2ก็คือคุศรศัจจ์ครับเพราะว่าคุรศัจักรนั้นก็เป็นเหมือนกับบ้านบ้านหลังที่สองอย่างที่3ก็คือครอบครัวก็คือครอบครัวก็คือบ้านของตัวเองนั่เองอันนี้ปรากฏอยู่ในพัตถรรมผล ธ, ม, ธมการบทที่สอข้อสิและอย่างที่4นะครับก็คือตัวเองปัจเจกบุคคลเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่อ4ประการนี้ครับ พี่น้องครับสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตในคริสตจักรและการดำเนินชีวิตในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องที่จะต้องทําให้ได้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะคริสตจักรนั้นเป็นครอบครัวของพระเจ้าการที่คริสตจักรเป็นครอบครัวของพระเจ้านั้นปรากฏอยู่ในพันเอเฟซาสบทที่2องข้อสิครับซึ่งมีความดังนี้ครับว่าเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่ เป็นคนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกันกับบรรดาธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าโปรดฟังอีกครั้งครับเพราะฉะนั้นพวกท่านจึงไม่ใช่คนนอกและคนต่างด้าวอีกต่อไปแต่เป็นพลเมืองเดียวกันกับธรรมิกชนและเป็นครอบครัวของพระเจ้าท่านทั้งหลายถูกก่อร่าง สร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระจนะมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลามุมเอกพิรุณข้าพระชนะของพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้ครับชัดเจนมากครับว่าเราเป็นครอบครัวของพระเจ้าเดียวกันเป็นครอบครัวเดียวกันในคริสจักรของพระองค์เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงรู้ว่าคริสจักรนั้นเป็นครอบครัวของพระเจ้าเป็นครอบครัวใหญ่ของเรา ครอบครัวส่วนตัวของแต่ละคนของคริสเตียนแต่ละคนนั้นก็รวมกันเข้าก็เป็นครอบครัวใหญ่ของพระเจ้าแต่แม้ว่าครอบครัวเล็กๆส่วนบุคคลซึ่งเป็นหน่วยหนึ่งที่มีความพิเศษและมีความสำคัญมากเพราะเราจะต้องรับผิดชอบต่อครอบครัวของเราทั้งครอบครัวส่วนตัวและครอบครัวส่วนรวมครอบครัวส่วนตัวก็คือครอบครัวของใครครอบครัวของเขานะครับ ครอบครัวส่วนรวมก็คือคิสจักรพี่น้องครับเราจะต้องมีความผสมดุลระหว่างการดําเนินชีวิตในคิสจักรและการดําเนินชีวิตในครอบครัวครับจะต้องละเลยไม่ได้ความพิเศษของมันและความสําคัญของครอบครัวทั้งสองอย่างนี้พี่น้องครับเนื่องจากว่ามีหลายคนครับ ที่กระตือหรือล้นมากทุ่มเทเวลามากมายทีเดียวทุ่มเทอุทิศชีวิตในการรับใช้พระเจ้าในคิตตจักรเข้าร่วมประชุมนั่นประชุมนี่อย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งคนเหล่านี้ละเลยการใส่ใจและการอบรมสั่งสอนการสร้างความสัมพันธ์ผูกพันกับลูกๆในบ้านหรือกับคู่สมรส ด้วยเห็นนี้เองครับจึงไม่สามารถที่จะพาลู ก, ลกและคู่สมรสมาถึงพระพักของพระเจ้าได้เป็นคริสเตียนแค่ชั่วอายุเดียวครับชั่วอายุที่สองก็หายไปแล้วหรือบางคนก็เป็นลูกหลังคริสเตียนเติบโตขึ้นมาแต่เนื่องจากความไม่สมดุลในการรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรและการรับใช้พระเจ้าในครอบครัวของตัวเองก็ทําให้ เป็นลูกหลานคริสเตียนแต่รุ่น ต, ต่อไปก็หลุดครับนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและน่าเสียดายเป็นอย่างมากเครดจ์นั้นต้องใส่ใจให้คำแนะนำสิทธิพิบานั้นต้องดูแลเรื่องนี้ไม่ใช่เอาแต่ดึงคนเข้ามารับใช้ในครดจรอย่างเดียวจะต้องให้ครอบครัวของเขานั้นจะต้องดีด้วย ด้วยเหตุ น, นี้เองพระเจ้าของพระเจ้านั้นก็ได้กําหนดชัดเจนครับว่าคนที่จะเป็นผู้นำเครจจักรคนที่เป็นผู้ที่ดูแลผู้ที่ปกครองเครือจักรนั้นเขาจะต้องจัดการกับครอบครัวของเขาได้ดีพี่น้องครับในพระธรรม2ทิโมธีบทที่หนึ่งข้อที่ห้ได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าข้าพเจ้า ระลึกถึงความเชื่อของท่านอย่างจริงใจซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านมีเป็นคนแรกแล้วก็มีในยูนิสมารดาของท่านและบัตรนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วยนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ปรลวนนั้นมีความมั่นใจในทิโมธีครับทิโมธีนั้นเป็นรุ่นสามครับ รุ่นสามแล้วเขารักพระเจ้ามาตั้งแต่สมัยของยายของเขาแล้วก็แม่ของเขาและตัวเขาเองเห็นชัดเจนครับว่าคุณยายนั้นเป็นผู้ให้การอบรมสั่งสอนหลานแสดงว่าเขามีความสมดุลเมื่อเขารักพระเจ้าแน่นอนครับคนที่รักพระเจ้าย่อมรับใช้พระเจ้าในกิจจักรแต่จะต้องรับใช้พระเจ้าในครอบครัวของตัวเองก่อนครับ ครอบครัวของตัวเองนั้นก็ถือเป็นกิจจักเล็กๆที่อยู่ในกิจจักใหญ่คริสเตียนที่นำพาลูกหลานรุ่นต่อต่อมาไปมาเชื่อและรักพระเจ้านั้นเป็นคริสเตียนที่เป็นการเพิ่มพูนกิจจักไปในตัวเป็นผู้ที่น่ารับการยกย่องครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านี่คือการเพิ่มพูนกิจจักเพิ่มพูนสมาชิกในทุกๆช่วอายุ ผลที่จะคำนวณออกมานั้นเป็นเรื่องที่น่าตกใจนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นทวีคูณการขยายเกิจจักยัอย่างแบบทวีคูณนั้นก็คือการเกิดลูกเกิดหลานน่าเสียดายนะครับในสมัยปัจจุบันนี้ครอบครัวแต่และครอบครัวนั้นก็มีลูกหลานน้อยลงแต่เราจะเห็นในบางวัฒนธรรมในบางศาสนาเขามีลูกเยอะและการขยาย ศา ส, สนาของเขานั้นก็คือการแพร่พันธุ์พี่น้องครับเพิ่มพูนสมาชิกในเครือจักรขอให้ทุกทุกคนในครอบครัวเราเป็นเครืสเตียนี้นะครับพี่น้องครับเป็นเรื่องทวีคูณครับหลายครั้งทีเดียวนั้นเราพยายามหาวิธีออกไปประกาศพรกรกิติคุณข่าวประเสริฐแต่ผลเกิดขึ้นก็ไม่เร็วเท่าไหร่ และผลก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่พระเจ้าก็นาเรายังต้องขอบคุณพระเจ้าในเรื่องนี้เพราะว่าเรามีผู้ที่มารับเชื่อพระเจ้าจากครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียนพี่น้องครับการนำคนในครอบครัวมาถึงพระเจ้านั้นก็ดีที่สุดแล้วแต่ยากครับยากพอไรครับเพราะว่าผู้ที่เป็นคริสเตียนในครอบครัวนั้นต้องมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง มีชีวิตที่เป็นพยานเราจะต้องรณรงค์ให้มีการนัสการตามบ้านหรือที่เรียกว่าสร้างแท่นบูชาประจำครอบครัวขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราจะสร้างแท่นบูชาประจำครอบครัวขึ้นมาทุกๆครอบครัวนั้นเราควรจะต้องนำคนมาถึงพระเจ้าทั้งหมดและเราจะต้องจัดให้มีการนับการพระเจ้ากันในบ้านครับบ้านของเรา จึงจะเป็นกิจจักรและนี่คือความสมดุลระหว่างการดำเนินชีวิตในครอบครัวและการดำเนินชีวิตที่บ้านหลายครั้งทีเดียวบางคนผิดพลาดนะครับอยู่ที่บ้านนั้นใช้ไม่ได้แต่อยู่ที่โบสถ์เวล y Active ครับนั่นคือสิ่งที่ไม่ใช่ครับนั่นเป็นของพร้อมขอพระเจ้าช่วยเราและเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านอาเมน